สุเมธกถาว่าด้วยสุเมธะพุทธเจ้าในสี่อสงไขยแสนกลับมีนครหนึ่งชื่อว่าอมระเป็นนครที่น่าชมน่ารื่นรมย์ใจเป็นนครที่สมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำไม่ว่างเว้นจากเสียงสิประการเพือเสียงช้างเสียงม้าเสียงกลองเสียงสังเสียงรถเสียงตะโพนเสียงพินเสียงเพลงขับเสียงชิ่ง และเสียงเชื้อเชิญด้วยของกินและเครื่องเดิมว่าเชิญท่านเคี้ยวกินเชิญท่านเดิมเป็นนครที่สมบูรณ์ด้วยองคุณทั้งปวงประกอบด้วยการงานทุกอย่างสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการคับข้างไปด้วยหมู่ชนต่างๆเป็นนครทีุ่ดมสมบูรณ์เหมือนเทพนครเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญเราเป็นพราหมณ์นามว่าสุมเมทะอยู่ในกรงอมะระวดี สังสมทรัพย์ไว้หลายโกรธมีทรัพย์สมบัติและทัญญาหารมากมายเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนต์จบไตรเพศถึงความสำเร็จในคำพีรทานายลักษณะและอิทธิหาสะและเนื้ธรรมของตนนั่งอยู่ในที่สงดคิดอย่างนี้ว่าการเกิดในภพใหม่และการแตกไปแห่งจริระเป็นทุกข์ความหลงตายเป็นทุกข์ชีวิตถูกชรา ย, ย่ำยีก็ครั้งนั้น เรามีความเกิดความแก่และความป่วยไข้เป็นธรรมดาเราจะแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายเป็นแดนกเกษมเอาเถิดเราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใหญ่ไม่มีความต้องการและทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยเจ้าศพต่างๆนี้ไปเสียมักนั้นไม่อาจจะไม่เป็นเหตุมักนั้นที่มีอยู่ก็จักมีเราจะแสวงหามักนั้นเพื่อหลุดพ้นไปจากภพ เ ม, ม, ม, ม, มื่อความทุกข์มีช si um really <S <s ื่อว่าความสุขก็ต้องมีชันใดเมื่อพบมีอยู่วิภพก็จำต้องปรารถนาชันนั้นเมื่อความร้อนมีความเย็นอย่างอื่นก็ต้องมีชันใดเมื่อไฟสามอย่างมีอยู่นิพพานความดับก็จำต้องปรารถนาฉันนั้นเมื่อความชั่วมีแม้ความดีก็ต้องมีชันใดเมื่อความเกิดมีอยู่ความไม่เกิดก็จำต้องปรารถนาชันนั้น บุรุษผู้ตกไปในหลุมคูดเห็นสระน้ำเต็มไม่เข้าไปยังสระน้ำนั้นนั้นไม่ใช่ความผิดของสระน้ำฉันใดเมื่อสระน้ำอมริตมีอยู่บุคคลไม่จะแหวงหาสระน้ำนั้นอันเป็นที่ชำระมนตินเพอกิเลสนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของสระน้ำอมริตฉันนั้นเมื่อทางไปมีอยู่บุรุษนั้นถูกฆ่าสึกปิดล้อมไม่ยอมหนีไปนั้นไม่ใช่ความผิดของขนทางฉั้นใด เมื่อทางกเกษตรมีอยู่บุคคลถูกกิเลสปิดล้อมไม่สแสวงหาทางนั้นนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของทางอันกเกเตมฉันนั้นคนป่วยเมื่อหมอมีอยู่ก็ไม่ให้หมอเยียวยาความป่วยไข้นั้นนั้นไม่ใช่ความผิดของหมอฉันใดคนมีทุกข์ถูกความป่วยไข้คือกิเลสเบียดเบียนไม่สแสวงหาอาจารย์นั้นก็ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ผู้แนะนาเอาเถิด เราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใหญ่ไม่มีความต้องการและทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยซากศพต่างๆนี้ไปเสียฉันนั้นคนเปลดเปื่อกซากศพที่น่ารังเกียจที่ผูกไว้ที่คอแล้วไปอยู่เป็นสุขอย่างเสรีตามลำพังตนฉันใดเราไม่มีความห่วงใหญ่ไม่มีความต้องการและทิ้งร่างกายที่เป ed, ื่อยเน่าเป็น oney, compass, owania, ที่รวมซากศพต่างๆนี้ padding, padding, ไปเสียฉันนั atory, ้น คนชายหญิงถ่ายอุจจระลงในส้วมแล้วละทิ้งส้วมไปไม่มีความห่วงใหญ่ไม่มีความต้องการฉันใดเราจักละทิ้งร่างกายที่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆนี้ไปเสียดุูคนถ่ายอุจจระลงในส้วมแล้วละทิ้งส้วมไปฉันนั้นเจ้าของเรือทิ้งเรือที่คล่ำคล่าชํารุ่น้ําไหลเข้าได้ไปยังไม่มีความห่วงใหญ่ไม่มีความต้องการฉันใด เราจักละทิ้งร่างกายนี้ที่มีทวารก้าวมีของไม่สะอาดไหลออกอยู่เป็นนิดไปเสียดุจเจ้าของเรือละทิ้งเรือที่คลั่มค่้าไปฉันนั้นบุรุษนำสิ่งของเมีค่าไปกับพวกโจรเห็นภัยคือการถูกปล้นสิ่งของจึงละทิ้งโจรไปเสียฉันใดกายนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเสมอด้วยมหาโจรเราจักละรายนี้ไปเพราะกลัวแต่การปล้นกุศลธรรมฉันนั้น ครั้นเราคิดอย่างนี้แล้วได้ให้ทรัพย์หลายร้อยโกรธแต่คนมีที่พึ่งและไม่มีที่พึ่งแล้วเข้าไปยังภูเขาหิมพ า, านในที่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพ า, านมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อธรรมมิกะเราสร้างอาสมอย่างดีสร้างบรรณาศาลาอย่างดีไว้ในที่นั้นเราสร้างที่จงกรมซึ่งเว้นโทษห้าประการเป็นที่นำมาซึ่งอภิญญาภละประกอบด้วยคุณแปประการ ละทิ้งผ้าสาดกซึ่งประกอบด้วยโทษเก้าประการเสียแล้วนุ่งผ้าคากรองผ้าเปลือกไม้ซึ่งประกอบด้วยคุณสิบสองประการเราละทิ้งบรรณศาลาที่ประกอบด้วยโทษแปดประการเสียเข้าไปอาศัยโคนต้นไม้ซึ่งประกอบด้วยคุณสิบประการเราละทิ้งเข้าเปลือกที่หว่านไว้ปลูกไว้เสียโดยไม่เหลือบริโภคผลไม้ที่หล่นเองซึ่งประกอบด้วยคุณหลายอย่างในที่นั้น เราบำเพ็ญความเพียรอยู่ในที่นั่งที่ยืนและที่จงกรมภายในเวลาเจ็ดวันก็ได้บรรลุอภิญญาภละเมื่อเราบรรลุถึงความสำเร็จมีความชำนาญในศาสนาอย่างนี้แล้วพระชินเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกสเสด็จอุบัตกขึ้นแล้วในขณะที่พระชินเจ้าทรงปฏิสนธิประสูตรัรสรู้และแสดงธรรมเราเป็นผู้เปี่ยมด้วยความยินดีในฌาน จึงไม่ได้เห็นนิมิตสี่ประการในแคว้นปัจจันตประเทศชนทั้งหลายทูลนิมนต์พระตถาคตแล้วมีใจยินดีช่วยกันแผ้วถางทางสำหรับพระตถาคตเสด็จดำเนินมาครั้งนั้นเราออกจากอาสมของตนแล้วสลัดผ้าคากรองเอาไปในท้องฟ้าเห็นหมู่ชนผู้มีจิตโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจจึงลงจากท้องฟ้ามาถามมนุษย์ทั้งหลายในขณะนั้นว่า มหาชนผู้มีจิตโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจช่วยกันแผ้วถางทางสำหรับเดินเพื่อใครชนเหล่านั้นถูกเราถามแล้วบอกว่าพระชินเจ้าผู้ยอดเยี่ยมพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วชนทั้งหลายช่วยกันแผ้วถางทางสำหรับเสด็จดำเนินเพื่อพระองค์เดี๋ยวนั้นวิติเกิดแก่เราเพราะได้ฟังคำว่าพุทโธ เราจึงกล่าวประกาศ ค, ความสมณัตว่าพุโทโธพุโทโธเราทั้งยินดีทั้งตื่นตานใจยืนคิดอยู่ณที่นั้นว่าเราจะปลูกพืชคือบุญลงในที่นี้ขณะอย่าได้ล่วงเลยไปแล้วกล่าวว่าถ้าท่านทั้งหลายช่วยคันแพร่ถ า, างทางเพื่อพระพุทธเจ้าขอจงให้โอกาสหนึ่งแก่ข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็จะช่วยแพร่าทางทางสำหรับเสด็จดำเนินครั้งนั้น ชนเหล่านั้นได้ให้โอกาสแก่เราเพื่อการแพร่ทางทางเราแพร่ทางทางไปพลางคิดไปพลางว่าพุทโธพุทโธเมื่อโอกาสของเรายังไม่ทันเสร็จพระชินนะมหามุนีพระนามว่าทีปังกรกับพระขีนาศพ 400,000 รูปผู้ได้อภิญญาหกผู้คงที่ปราศจากมลทินก็เสด็จมาถึงทางการต้อนรับย่อมเป็นไป คนเป็นอันมากประคมกรองเพรีเทวดาและมนุษย์ต่างก็มีความชื่นชมเพลงเสียงสาทุกการเทวดาก็เห็นมนุษย์มนุษย์ก็เห็นเทวดาทั้งสองพวกนั้นพากันประนมมือเดินตามพระตถาคตเทวดาทั้งหลายนำดนตรีทิศมาประคมมนุษย์ทั้งหลายนำดนตรีมนุษย์มาประคมทั้งสองพวกนั้นพากันประคมเทพผู้อยู่ในนภ า, ากาศ ต่างก็โปรยปลายดอกมณทารพบดอกปทุมดอกปาริชาตกะอันเป็นทิพย์ลงมายัางทิศน้อยทิศใหญ่และโปรยปลายกระเจะจันท์และของหอมอย่างดีล้วนแต่เป็นของทิพย์ลงมายัางทิศน้อยทิศใหญ่มนุษย์ทั้งหลายผู้อยู่บนพื้นดินต่างก็โปรยปลายดอกจำปาดอกสนกระทุม่มดอกากากระถิง่งดอกบุญนาคดอกการะเกตลงมายัางทิศน้อยทิศใหญ่ เราสยายผมแล้วลาดผ้าคลากรองและหนังสัตว์ลงบนเปลือกตมแล้วนอนคว่ำหน้าลงณที่นั้นด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกผู้เป็นสิทธิจงเหยียบเราเสด็จไปเถิดอย่าทรงเหยียบเปลือกตมนั้นเลยข้อนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราเมื่อเรานอนอยู่ที่พื้นดินมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเมื่อต้องการอยู่ก็พึงเผากิเลสเราได้ในวันนี้ แต่จะมีประโยชน์อะไรแก่เราที่จะรู้แจ้งพระธรรมในศาสนานี้โดยเพศที่คนอื่นไม่รู้จักเราจาบับบรรลุพระสัพพัญญุตยานพ้นแล้วพึ่ปลดปลื้มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาจะมีประโยชน์อะไรแก่เราที่เป็นผู้ชายเห็นกําลังความสามารถจะข้ามพ้นแต่เพียงผู้เดียวเราจาบับบรรลุพระสัพพัญญุตยานช่วยมนุสยซโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นด้วย ด้วยอธิการคือกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ที่เราได้ทำแล้วในพระพุทธเจ้าทรงเป็นสูงสุดแห่งบุรุษเราจะเป็นลุกพระสัพพัยุตยานจะช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นเราจะตักกระแสสังสารวัตรทำลายภพทั้งสามแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาเรือคือธรรมช่วยมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นอภินิหารย่อมสาเร็จได้เพราะทำแปดประการประชุมพร้อมกัน คือความเป็นมนุษย์หนึ่งความสมบูรณ์ด้วยบุรุษเพศหนึ่งเหตุที่จะทำให้สำเร็จพระอาหารหันต์ได้ในชาตินั้นหนึ่งการได้เห็นพระศาสดาหนึ่งการบรรประชาหนึ่งความถึงพร้อมด้วยคขุนคือสมาบัติแปดและอภิญยาห้าหนึ่งอธิการคือการทำให้ยิ่งหนึ่งความเป็นผู้มีฉันทะหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรผู้ทรงรู้แจ้งโลกสมควรรับเครื่องบูชา ประทับยืนอยู่เหนือศีรษะเราตรัสพระดำรัดนี้ว่าเธอทั้งหลายจงดูฉดินดาบทนี้ผู้มีตบะแก่กล้าในกลับอันประมาณไม่ได้นับจากกลับนี้ไปเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตได้เสเด็ดออกจากกรุงกระเบลพัทที่น่ารื่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขะกิริยาพระตถาคตจะประทับนั่งที่โคนต้นอชบาลานิโครด ทรงรับข้าวปลาญาติในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจากเสวยข้าวปลาญาติที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่จากทำประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัสัตถาพฤกษ พระมารดาผู้ใอกกำเนิดพระชนญเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจกมีพระนามว่าสุโธธนะพระชนญเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกริตเถระและพระอุปติสเถระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานนท์จักเป็นพระอุปถา บำรุงพระจินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเทรีและพระอุบลวรรณาเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตัดสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศตพฤกจิตตะกาบดีอุบาสกและหัตะกะขะบดีอุบาสกชาวเมืองอลวีจักเป็นอัครอุปถาน นันทามานดาอุบาสกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็นอครอุปทายิกาพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นจากมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัตนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นนอพุทธทางปูน จัดทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัจการว่าถ้าเราทั้งหลายจะพลาดศาสนาของพระโลกนาพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอ่อพุทฏังกูนนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะฆ่าแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงฆ่าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าพระลาดพระจินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกูลนี้ในอนาคตการพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรผู้ทรงรู้แจ้งโลกสมควรรับเครื่องบูชาทรงประกาศกรรมของเราแล้วทรงยกพระบาทเบื้องขวาขึ้นสาวกของพระจินเจ้าที่อยู่ในที่นั้นได้ทำประทักษิเนเราทุกๆองค์เทวดามนุษย์อสูรยักษ์อภิวาสเราแล้วพากันหลีกไป ครังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ล่วงคลองจากสุเราไปเราลุกขึ้นจากการนอนแล้วนั่งขัดสมาธิอยู่เราสําราญใจด้วยความสุขบันเทิงใจด้วยความปราโมทและดื่มดำด้วยปีตินั่งขัดสมาธิอยู่ในการนั้นครั้งนั้นเรานั่งขัดสมาธิแล้วคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีความชํานาญในฌาน ถึงความสําเร็จอภิญญาในโลกธาตุม่มีมื่นจักรวาลไม่มีฤาษีผู้เสมอกับเราในธรรมคือริศไม่มีใครเสมอกับเราเราได้สุขเช่นนี้ขณะที่เรานั่งขัดสมาธิอยู่ทเทวดาผู้สถิตยอยู่ในโลกธาตุไม่มื่นจั ก, กรวาลพากันเปล่งเสียงอย่างเปลืกก้องว่าท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนิมิตเหล่าใดที่เคยปรากฏในขณะที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย นั่งคลาสมาที่เอียงประเสริฐนิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏในวันนี้ความหนาวก็บําราดไปและความร้อนก็สงบนิมิตเหล่านั้นปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนโลกกระาธาตุไม่เหมือนจักรวาลปราศจากเสียงหมดความวุ่นวายนิมิตเหล่านั้นปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนลมพายุไม่พัดแม่น้ำทั้งหลายก็ไม่ไหล นิมิตเหล่านั้นปรากฏในวันนี้ท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนดอกไม้ทั้งหลายทั้งที่เป็นพันไม้บกและพันธุไม้น้ําทุกชนิดต่างก็ผลิดดอกในขณะนั้นแม้ในวันนี้ดอกไม้เหล่านั้นก็บานหมดทุกดอกท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนไม้เถาวหรือไม้ต้นต่างก็ผลิดผลแล้วในขณะนั้นแม้ในวันนี้ไม้ผลเหล่านั้นก็ผลิตผลแล้วทุกต้น ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนรัตนะทั้งหลายที่อยู่ในอากาศและที่อยู่บนพื้นดินสว่างสวัยแล้วในขณะนั้นแม้ในวันนี้รัตนะเหล่านั้นก็สว่างสวัยท่านจักเป็นพระพุทธเจา้าแน่นอนดนตรีทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์ต่าง ก, ก็บรร um เลงขึ้ in นแล้วในขณะนั้นแม้ในวันนี้ดนตรีทั้งสองอย่างนั้นก็บรรเลงท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ที่พยาบุพชาติอันวิจิตต่างก็ตกลงจากท้องฟ้าในขณะนั้นแม้ในวันนี้ที่พยาบุพชาติเหล่านั้นก็ปรากฏท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนมหาสมุรย่อมกระชอนโลกธาตุมีหมื่นจั ก, กรวาลก็ไหวแม้ในวันนี้ทั้งสองนั้นมหาสมุดและโลกธาตุก็บรรลอลั่นท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนไฟนรกนับหมื่นดวงก็ดับลงในขณะนั้น แม้ในวันนี้ไฟนรกนั้นก็ดับแล้วท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนดวงอาทิตย์ปราจะจากมนทินดาวทุกดวงต่างก็สุสกสกาวแม้ในวันนี้ดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างก็ผ่องแผ้วสุขใสท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนทั้งที่ฝนไม่ตกเลยแต่น้ำในแม่น้ำกลับเอ่ขึ้นจากแผ่นดินในขณะนั้นแม้ในวันนี้ น้ำในแม่น้ำนั้นก็เอ่อขึ้นจากแผ่นดินท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนหมู่ดาวนบประเคราะห์และหมู่ดาวนักษัตย์เปล่งประกายสว่างทั่วท้องฟ้าดวงจันทร์ประกอบด้วยวิสาขเรศแจ่มจรัสท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนสัตว์ทั้งหลายจำพวกที่อยู่ในรูและจำพวกที่อาศัยอยู่ตามซอกต่างกะพาันออกจากที่อยู่ของตนแม้ในวันนี้ สัตว์เหล่านั้นละทิ้งที่อยู่อาศัยท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนความไม่พอใจมิได้มีแก่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายต่างพากันยินดีอยู่ทั่วกันในขณะนั้นแม้ในวันนี้สัตว์ทั้งหลายก็ยินดีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนโรคทั้งหลายต่างก็สงบระงับลงและความหิวโหยก็หายไปในขณะนั้นแม้ในวันนี้ ภาวะทั้งสองอย่างนั้นก็ปรากฏเหมือนกันท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนราคาก็เบาบางลงไปโทสะและโมหะต่างก็ถดถอยไปในขณะนั้นแม้ในวันนี้กิเลสเหล่านั้นก็ปราศจากไปจนหมดสิ้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนภัยนี้ได้มีในขณะนั้นแม้ในวันนี้ก็ปรากฏอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงรู้ได้ว่า ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ iana, assim, นอนขณะนั้นธุลีไม่ได้ฟุ้งขึ้นไปในอากาศแม้ในวันนี้ก็ปรากฏอย่างนั้นเพราะเครื่องหมายนั้นเราทั้งหลายจึงรู้ได้ว่าท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาก็ปราดไปหมดสิ้นกลิ่นทิกก็หอมฟุ้งตลดไปในขณะนั้นแม้ในวันนี้กลิ่นหอมก็ฟุ้งตลบไปท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน เทวดาทั้งปวงก็ได้พากันปรากฏกายในขณะนั้นเว้นแต่อรูปพรหมแม้ในวันนี้ก็ปรากฏอย่างนั้นทั้งหมดท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนรโรกทั้งหลายมีประมาณเท่าใดก็ได้ปรากฏทั้งหมดเท่านั้นในขณะนั้นแม้ในวันนี้ก็ปรากฏทั้งหมดท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนกำแพงประตูและภูเขาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ปิดกั้นได้ในขณะนั้น แม้ในวันนี้ทั้งหมดก็เปิดโล่งท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนการจุติและการอุบัติก็ไม่ได้มีในขณะนั้นแม้ในวันนี้การจุติและการอุบัติเหล่านั้นก็ปรากฏท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนิมิตเหล่านี้ย่อมปรากฏเพื่อประโยชน์แต่การตรัสรู้ของสัตว์ทั้งหลายท่านจงบำเพ็ญความเพียรให้มั่นคงอย่าถอยกลับจงก้าวไปข้างหน้าเถิด แม้เราทั้งหลายก็รู้ความเพียร น, นั้นอย่างแจ่มแจ้งว่าท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเราได้สดับพระพุทธธํามรัสและคำของเทวดาในหมื่นจั ก, กรวาลทั้งสองแล้วก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจได้คิดอย่างนิเนการนั้นว่าพระพุทธชินเจ้าทั้งหลายมีพระดํารัสไม่เป็นสองมีพระดํารัสไม่เป็นโมคะพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระธํารัสไม่จริง เราคงจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนก้อนดินที่โยนขึ้นไปบนท้องฟ้าย่อมตกลงมาที่พื้นดินเป็นแน่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระดำรัสไม่จริงเราคงจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนสัตว์ทั้งปวงต้องมีความตายเที่ยงแท้แน่นอน พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระดํารัสไม่จริงเราคงจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพระดํารัตของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนสิ้นราตรีแล้วอาทิตย์ต้องอุไทยแน่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระดํารัส <Books S 1> ไม่จริงเราคงจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพระดํารัส <xi> ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนราชสีลุกออกจากที่นอน ต้องมีการบรรลุสีหานาถแน่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระธรรัดไม่จริงเราคงจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพระธรรัดของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนสตรีมีคันแก่จะต้องมีการคลอดบุตรในคันเป็นแน่พระพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระํารัดไม่จริงเราคงจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเอาเถิดเราจะค้นหาพุทธการะธรรม จากสิทธิทิคือข้างนี้ข้างนี้เบื้องบนเบื้องล่างตลอดทั่วธรรมธาตุครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นทานะบา ร, รมีเป็นข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นทางใหญ่ที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมสั่งสมมาจึงตื่นตนเองว่าท่านจงยึดทานะบา ร, รมีข้อที่หนึ่งนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ ท่านก็จงบำเพ็ญทานบารมีเถิดหม้อที่เต็มด้วยน้ำซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจับคว่มลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังอยู่ในหม้อนั้นชันใดท่านเห็นผู้ขอทั้งชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือดูดหม้อน้ำที่เขาคว่าลงชันนั้นแต่พุทธธรรมเหล่านี้จักมีเพียงเท่านี้ก็หามิได้เราจะค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป ครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นศีลบารมีเป็นข้อที่สองที่ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดศีลบารมีข้อที่สองนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนาจะ บ, บรรลุพระโพธิญาณท่านก็จงบำเพ็ญศีลบารมีเถิดจามารีย่อมรักษาขนหางของตนที่ติดข้องอยู่ในที่ไรๆ ก็ยอมตายในที่นั้นไม่ยอมไม่ขนหางเสียไปฉันใดท่านจงบำเพ็ญศีลในภูมิทั้งสี่รักษาศีล ใ, ให้บริบูรณ์ในการทุกเมื่อดูจจามรีรักษาขนหางฉันนั้นแต่พุทธธรรมเหล่านี้จะมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้เราจะค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นเนคขัมมะบา ร, รมีเป็นข้อที่สาม ที่ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมชังสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดเนคขมมะบ ร, รมีข้อที่สามนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านจงบำเพ็ญเนกขมมะบ ร, รมีเถิดคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับทุกขมานานย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำนั้นมีแต่จะหาช่องทางที่จะพ้นออกไปฉันใด ท่านจงเห็นพบทั้งปวงดุจเกลือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนคข ม, มะเพื่อหลุดพ้นไปจากพบฉันนั้นเถิดแต่พุทธธรรมเหล่านี้จะมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้เราจะค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นปัญญาบา ร, รมีเป็นข้อที่สี่ที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดปัญญาบารมีข้อที่สีนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านก็จงบำเพ็ญปัญญาบารมีเถิดภิกษุเมื่อเที่ยวบินธบาติมิได้เว้นว่าจะเป็นตระกูลชั้นต่ำชั้นกลางหรือชั้นสูงย่อมได้อาหารพ อ, อยังอัตภาพให้เป็นไปได้ฉั้นใดท่านเมื่อสอบถามคนมีความรู้ตลอดกลางทั้งปวงบำเพ็ญปัญญาบารมีไปเถิด แล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นแต่พุทธธรรมเหล่านี้จักมีเพียงเท่านี้ก็หามิได้เราจักค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นวิริยบา ร, รมีเป็นข้อที่ห้าที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดวิริยบา ร, รมีข้อที่ห้านี้ บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านก็จงบำเพ็ญวิริยะบารมีเถิดราชสีพยาเนื้อมีความเพียรไม่ย่อหย่อนทั้งในขณะเหมาะยืนและเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อฉันใดท่านจงประคองความเพียรให้มัน่นคงทุกภพทุกชาติบำเพ็ญวิริยะบารมีไปเถิดแล้วจกักบรรลุสัมโพธิญาณได้ฉันนั้น แต่พุทธธรรมเหล่านี้จกมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้เราจะค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่หกที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดขันติบารมีข้อที่หกนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อน ท่านมีใจแน่วแน่ไม่เป็นสองในขันติบา ร, รมีนั้นจากบรรลุสัมโพธิญาณได้ธรรมดาแผ่นดินย่อมทนทานต่อสิ่งที่เขาทิ้งลงทุกอย่างทั้งที่สะอาดและไม่สะอาดไม่ทำความยินดีและความขัดเคืองแม้ฉันใดถึงท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันอดทนต่อการยกย่องและการดูหมิ่นของคนทั้งปวงบาเพ็ญขันติบา ร, รมีแล้วจากบรรลุสัมโพธิญาณได้ แต่พุทธธรรมเหล่านี้จะมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้เราจะค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นสัจจะบ ร, รมีเป็นข้อที่เจ็ดที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมสังสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดสัจจะบ ร, รมีข้อที่เจ็ดนี้บำเพ็ญให้มันคงก่อน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 ในสัจจะทั้งหลายบำเพ็ญสัจจะบา ร, รมีแล้วจากบรรลุสัมโพธิญาณได้แต่พุทธธรรมเหล่านี้จากในเพียงเท่านี้ก็หามิได้เราจะค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นอธิฐานบา ร, รมีเป็นข้อที่8ที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดอธิฐานบบรมีข้อที่แปดนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนท่านเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิฐานบบรมีนั้นแล้วจากบรรลุสามโพธิญาณได้ผู้ผาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นไม่สะเทือนเพราะลมแรงพงตั้งอยู่ในที่เดิมนั่นเองแม้ฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิฐานบบรมีทุกเมือ่อบำเพ็ญอธิฐานบบรมีแล้ว จากบรรลุสัมโัทิฏาิได้แต่พุทธธรรมเหล่านี้จักมีเพียงเท่านี้ก็หาม่ได้เราจักค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นเมตตาบารมีเป็นข้อที่เก้าที่ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดเมตตาบารมีข้อที่เก้านี้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 อยากบรรลุสัมโพธิญาณได้แต่พุทธธรรมเหล่านี้จะมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้เราจะค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นอุเบกขาบารมีเป็นข้อที่สิบที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดอุเบกขาบารมีข้อที่สิบนี้ บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนท่านเป็นผู้มีอุเบกขาเที่ยงตรงมั่นคงจากบรรลุสัมโพธิญาณได้ธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยในสิ่งที่เขาทิ้งลงทั้งสะอาดและไม่สะอาดทั้งสองอย่างเว้นความโกรธและความยินดีแม้ฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงมีใจเที่ยงตรงในสุขและทุกข์ในการทุกเมื่อบำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้วจากบรรลุสัมโพธิญาณได้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 บริษัทประมาณเท่าใดมีอยู่ในบริเวณรอบๆพระพุทธเจ้าบริษัทประมาณเท่านั้นสันเทานอนสลบอยู่บนภาคพื้นที่บริเวณนั้นหม้อน้ำหลายพันหม้อหม้อข้าวหลายร้อยหม้อหม้อใส่กระเจะและหม้อที่ใส่เปียงในที่นั้นต่างก็กระทบกันและกันมหาชนหวาดเสียวสะดุ้งกลัวตื่นตระหนกมีใจหวาดหวัน่นประชุมกัน พากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทูลถามว่าอะไรจักมีแก่ชาวโลกเป็นเหตุดีหรือเหตุร้ายชาวโลกทั้งปวงถูกเบียดเบียนข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุขอพระองค์ได้โปรดบรรเทาภัยที่เบียดเบียนนั้นเถิดครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นพระมหามุนีทรงแจ้งให้มหาชนได้เข้าใจว่า ในการที่พระสุธาวหวครั้งนี้ท่านทั้งหลายจงเบาใจเถิดอย่าตกใจกลัวเลยวันนี้เราพยากรณ์ผู้ใดว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าในโลกผู้นั้นพิจารณาเห็นธรรมที่พระชินเจ้าทรงอบรมสั่งสมมาก่อนเมื่อผู้นั้นพิจารณาธรรมซึ่งเป็นพุทธภูมิโดยไม่มีเหลือเพราะเหตุนั้นปัตตภีโลกธาตุมีหมื่นจักรวาลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกจึงไหวแล้ว ขณะนั้นมหาชนได้ฟังพระดำรัสแล้วก็เกิดความสบายใจขึ้นทุกคนพากันมาหาเราแล้วอภิวาอีกครั้งนั้นเรายึดพระพุทธคุณทำใจให้มั่นคงในมนส ก, การพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกอนแล้วลุกจากอาสนะชนสองฝ่ายเขือเทพถือดอกไม้ทิพหมู่มนุษย์ถือดอกไม้ที่เป็นของมนุษย์ต่างโปรยปลายดอกไม้ทั้งหลายเพื่อเราผู้ลุกจากอาสนะ นนเทพและมนุษย์ทั้งสองฝ่ายเหล่านั้นต่างก็ประกาศความสวัสดีว่าท่านปรารถนาตำแหน่งอันใหญ่หลวงขอท่านได้ตำแหน่งนั้นตามความปรารถนาเถิดเสนียจันไรทั้งปวงจงอย่ามีความโศกและโรคจงอย่ามีอันตรายจงอย่ามีแก่ท่านขอให้ท่านได้บรรลุพระโพธิญาณอันประเสริฐเร็วพลันเถิดเมื่อถึงฤดูที่ต้นไม้ผลิดอก หมู่ไม้จำพวกที่มีดอกก็ผลิดอกฉันใดท่านผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ขอท่านจงผลิด้วยพระพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกันเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีสิปรการมาแล้วฉันใดท่านผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ขอท่านจงบำเพ็ญบารมีสิปรการฉันนั้นเหมือนกันเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ที่โพธิมันฉันใด ท่านผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ขอท่านจงตรัสรู้ที่ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพิณเจ้าฉันนั้นเหมือนกันเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมจักแล้วฉันใดท่านผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ขอท่านจงประกาศพระธรรมจักฉันนั้นเหมือนกันเถิดดวงจันทร์ในวันเพ็ญเต็มดวงสองสว่างฉันใดขอท่านผู้มีใจปรารถนาที่เต็มเปี่ยมแล้ว จงรุ่งโร่สว่างสวัยในเหมือนจั ก, กรวาลฉันนั้นเหมือนกันเถิดดวงอาทิตย์พ้นจากราหูแล้วย่อมไพโรแจ่มเจ้าด้วยแสงสว่างฉันใดขอท่านจงพ้นจากโลกธรรมแล้วแจ่มเจ้าด้วยสิริแห่งพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันเถิดแม่น้ำทุกสายไหลไปสู่ทะเลหลวงฉันใดขอชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายจงพากันหลั่งไหลไปในสำนักของท่านฉันนั้นเหมือนกันเถิด ครั้งนั้นสุมเมธาดาบทนั้นอันถวยเทพและหมู่มนุษย์เหล่านั้นชมเชยสรรเสริญแล้วสมท า, านทาสิบประการบารมีสิบเมื่อจะบำเพ็ญทาเหล่านั้นให้บริบูรณ์จึงเข้าไปยังป่าใหญ่สุมเมธาระถาจบ พุทธวงศ์หนึ่งทีปังกรพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระทีปังกรพุทธเจ้าครั้งนั้นชนเหล่านั้นทูลนิมนต์พุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกพร้อมทั้งพิสุสง์ให้เสวยและฉันแล้วได้ถึงพระศาสดาพระนามว่าทีปังกรพระองค์นั้นเป็นสรณะนะพระตถาคตให้คนบางคนตั้งอยู่ในสระณคม ให้คนบางคนตั้งอยู่ในศีลห้าให้คนบางคนตั้งอยู่ในศีลสิบทรงประทานสามัญญผลสี่อันสูงสุดให้แก่คนบางคนทรงประธานธรรมที่ไม่มีธรรมอย่างอื่นเสมอเหมือนเคปปติสัมพิทาให้แก่คนบางคนพระตถาคตผู้องค์อากรนรชนทรงประธานสมาบัติที่ประเสริฐแตดประการให้แก่คนบางคนทรงประทานวิชาสามอภิญญาหกให้แก่คนบางคน พระมหามุนีย่อมตรัสสอนหมู่ชนตามลำดับนั้นเพราะเหตุนั้นศาสนาของพระโลกนาถจึงแผ่ไปอย่างกว้างขวางพระศาสดาพระนามว่าทีปังกรผู้ทรงมีพระหานุใหญ่และพระวรกายงดงามทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากทรงปลดเปลื้องจากทุกติพระมหามุนีทรงเห็นชนที่ควรแนะนำให้ตรัสรู้ได้แม้ในที่ไกลถึงแสนโยธ ก็เสด็จไปเพียงชั่วขณะเดียวทรงช่วยผู้นั้นให้ตรัสรู้ในการบรรลุธรรมการตรัสรู้ธรรมครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงช่วยเทวดาและมนุษย์ร้อยโกรธให้บรรลุธรรมในการบรรลุธรรมครั้งที่สองพระผู้เป็นที่พึ่งทรงช่วยเทวดาและมนุษย์เก้าสิบโกรธให้บรรลุธรรมและในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในเทพิภ พ, พได้มีเทวดาเก้าหมื่นโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สาม พระศาสดาพระนามว่าทีปังกรณได้มีการประชุมสาวกสามครั้งสาวกประมาณหนึ่งแสโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งเมื่อพระชินเจ้าประทับอยู่ในสถานที่อันสงนัดที่ยอดภูเขานารทะพระขีณาศพผู้ปราศจากมนทินประมาณร้อยโกรมาประชุมกันในการใดพระมหาวีระเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหามุนีทรงประวรณาออกพรรษา พร้อมทั้งพิสุสงฆ้า่เมืองโกรธที่ยอดเขาสุทัศนะสมัยนั้นเราเป็นชดินผู้มีตบะแก่กล้าสำเร็จอภินยาห้าอเป็นอากาศได้เทวดาและมนุษย์ประมาณสองแสนได้บรรลุธรรมการบรรลุธรรมครั้งละองค์สององค์นับจำนวนไม่ท่วนครั้งนั้นพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าทีปังกรแผ่ภาสาลมีคนรู้มากเจริญแพร่หลาย สะอาดบริสุทธิ์ภิษุประมาณสี่แสนรูปล้วนได้อพิญญาหกมีฤทธิ์มากแวดล้อมพระผู้มีพระภาคพระนามว่าทีปังกรผู้ทรงรู้แจ้งโลกในการทั้งปวงสมัยนั้นชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระเสขะและมนุษภูมิไปชนเหล่านั้นย่อมถูกติเตียนศาสนาแพร่หลายงดงามด้วยพระอรหันตขีนาศ ผู้คงที่ปราศจากมนฑินในการทั้งปวงเมืองชื่อว่ารามาวดีกษัตริย์พระนามว่าสุเทพเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุเมธาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าทีบังกรพระชินเจ้าทรงครองครวาดอยูสองหมื 20, ่นปีทรงมีฝูงหงนกกระเรียนนกหยูงมากมายมีปราสาที่อุดมอยู่สามหลัง มีแนวสนมกํานันสามแสนนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าปทุมมาพระราชโอรสพระนามว่าอุสพะขันทะอุมาพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชพานะผือช้างออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณครั้นทรงบำเพ็ญความเพียรเสร็จแล้วก็ได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณ พระมหามุนีพระนามว่าทีปังกรผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วพระมหาวีระชินเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรแล้วประทับอยู่ในนันทารามประทับนั่งที่โคนต้นซึกทรงปราบรามเดียรถีพระสุมาคละเถระและพระติสะเถระเป็นพระอัครสาวกพระสาขะเถระเป็นอุปถากของพระศาสดาพระนามว่าทีปังกร พระนันทาเทรีและพระสุนันทาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลวกเรียกว่าต้นเลียตบตปุษาอุบาสกและพะลิกาอุบาสกเป็นอัครอุปถาสิริมาอุบาสิกาและโสนาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายกรพระมหามุนีพระนามว่าทีปังกร ทรงมีพระวรากายสูงแปดสิบศอกทรงงดงามดังต้นพฤกษาประทีดดังต้นพญาไม้สาละที่มีดอกบานสะพรั่งพระองค์ทรงมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกสิจโยตโดยรอบพระองค์ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระชนมายุประมาณหนึ่งแสปีทรงดำรงอยู่นานเพียงนั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นสังสารวัตได้เป็นจำนวนมากพระองค์พร้อมทั้งสาวก ประกาศพระสัตธรรมให้รุ่งเรืองช่วยมหาชนข้ามพ้นได้แล้วเสด็จดับขันธปรินิพานเหมือนกองไฟที่ลุกโผลงแล้วดับไปพระองค์ทรงมีพระฤทธ์มีพระยศพร้อมทั้งจักรระรัตนะที่พระยุ ค, คลบาททุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระชินนศะาสดาพระนามว่าทีปางกรเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว ณนันทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระชินเจ้าพระองค์นั้นสูงสามสิหกยชนณนันทารามนั้นพระสถูปบญจุบาตจีวรบริขารและเครื่องบริโภคของพระองค์ผู้สาสดาที่โคนต้นโพในการนั้นสูงสามยอดที่ปังกระพุทธวงศ์ที่หนึ่งจบ 2. โกนธัญญาพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระโกนทัญญพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกอได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะผู้ทรงเป็นผู้นำทรงมีพระเดชหาที่สุดไม่ได้มีพระยศประมาณมิได้มีพระคุณประมาณมิได้และยากที่จะกระทบกระทั่งได้พระองค์ทรงเปรียบดังแผ่นดินโดยขันติธรรมเปรียบดังสาครโดยศีล เปรียบดังภูเขาสิเนรุโดยสมาธิเปรียบดังท้องฟ้าโดยปัญญาทรงประกาศธรรมที่ควรประกาศคืออินทรีพระโพชฌงค์มัคอริยสัตว์ในการทุกเมื่อเพื่อประโยชน์เลือกปูนแก่สรรพสัตว์เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณทัญญาทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงประกาศพระธรรมจักรเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งจากนั้น เมือ่อทรงแสดงพระธรรมในสมาคมของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ประมาณเก้าหมืนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในคราวที่พระองค์เมื่อทรงแสดงธรรมยี่ยยี่ยมพวกเดรธีเทวดาและมนุษย์ประมาณแปดหมืนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่าท ส, สมมามพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมพระสาวกผู้เป็นถีนาศพผู้ปราศจากมณทิน มีจิตสงบประงับผู้คงที่สมครั้งพระขีนาศพจํานวนหนึ่งแสโกรมาประชุมกันครั้งที่หนึ่งพระขีนาศพจํานวนพันโกรมาประชุมกันครั้งที่สองพระขีนาศพจํานวนเกสบโกรมาประชุมกันครั้งที่สามครั้งนั้นเราเป็นพระมหากษัตริย์มีนามว่าวิชิตาวีแผะความเป็นใหญ่ไปโดยมีมหาสมุทรสาครเป็นขอบเขต เราได้อังคาดภิกษุประมาณหนึ่งหมื่นโกรผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ปราศจากมลทินพร้อมด้วยพระผู้ทรงเป็นที่พึ่งอันเลิกของสัตว์โลกให้อิ่มน้ำด้วยอาหารอันประณีตแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนธัญะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรณ์เราว่าในกับอันนับประมาณมิได้นับจากกลับนี้ไปเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าในโลก พระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงประเบรภัตที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขรภิญญาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชปาลนิโครธทรงรับข้าวปลายาติในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินจา้าพระองค์นั้นจากเสวยข้าวปายาติที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพ ตามผลทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยดยิ่งใหญ่จากทําประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัศทะพฤกพระมารดาผู้ให้กําเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจกมีพระนามว่าสุโธธนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดม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 ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสัตถพฤกษ์จิตตะคะพดีอุบาสกและหัตตะคะพดีอุบาสกชาวเมืองอลวีจกเป็นอครอุปาถากนันทมานดาอุบาสิ ก, กาและอุตราอุบาสิ ก, กาจากเป็นอครอุปถายยกาพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุประมาณร้อยปี เทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัดนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุนอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธทางกูสัจว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพราดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้ เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพุทฐางกูร น, นี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะฆ่าแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงฆ่าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพราดพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหน่อพุทฐางกูร น, นี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระตํารัสของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ทําจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง เราเมื่อจะทําประโยชน์นั้นให้สําเร็จจึงได้ถวายราชสมบัติอันใหญ่หลวงแก่พระชินเจ้าครั้นแล้วก็ออกโบสถ์ในสํานักของพระองค์เราได้เล่าเรียนพระสูตรและพระวินัยอันเป็นนวงังคระสตุสาทั้งปวงแล้วเชิญประกาศศาสนาของพระชินเจ้าให้รุ่งเรืองเราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในคําสั่งสอนนั้นทั้งในเวลานั่งยืนและเดินถึงความสําเร็จอภิญญาแล้วได้เปิดเกิดอย่างพรหมโลก กรุงชื่อว่ารามวดีกระยัพระนามว่าสุนันทะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุชาดาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปโณทัญญาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่หนึ่งหมื่นปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุธิปราสาทสุรุจิปราสาทและสุภาปราสาท มีนางสนมกำนันสามแสนนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่ารุจิเทวีพระราชะโอรสพระนามว่าวิกิตเสนะพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพานะคือรถออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าโกนทัญญะผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ ผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจากแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายณป่ามหาวันพระพัฒทะเทระและพระสุภัฒทะเทระเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าอนุรุทธะเป็นพระอุปถากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระติสาเทรีและพระอุปติสาเทรีเป็นพระอัครสาวิกา ต้นขานางเป็นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโปลธัญญะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่โสนนอุบาสกและอุปโสนนอุบาสกเป็นอครอุปถากนันทาอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็นอครอุปถายิกาพระมหามุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูง88ศอกทรงงดงามดังดวงจันทร์ในวันเพ็น และดังดงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็มีอายุประมาณหนึ่งแสปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากเมธนีดลงามวิจิตด้วยพระขีนาศพผู้ปราศจากมนทินเมธนีนั้นงามเหมือนท้องฟ้าที่วิจิตไปด้วยหมู่ดาวพระอรหันตผู้ประเสริฐแม้เหล่านั้น มีคุณหาประมาณไม่ได้ไม่คำเริ่มหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากท่านผู้มียศเหล่านั้นแสดงประดุดสายฟ้าฟ า, ฟาปรินิพานแล้วฤทธิ์ของพระชินเจ้าไม่มีที่เปรียบสมาธิอันปัญญาอบรมดีแล้วทุกอย่างอันตรธานไปพร้อมกันแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกลธัญญาผู้ทรงพระชริ เด็จดับขันธปรินิพานณนันทารามพระเจดีของพระองค์สูงเจ็ดโยน์ณนันทารามนั้นฉนี้แหละโกนทัญญะพุทธวงศ์ที่สองจบสมังคละพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระมังคละพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละผู้ทรงเป็นผู้นำ ทรงชูคบเพลิงคือพระธรรมกำจัดความมืดในโลกรัศมีของพระองค์ไม่มีที่เปรียบยิ่งกว่าพระชินเจ้าองค์อื่นๆค่มรัศมีของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์รุ่งโรดไปทั่วมื่นจักรวาลแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงประกาศอริยสัจสีที่ประเสริฐสุดเทวดาและมนุษย์ต่างก็ได้ดื่มรสแห่งอริยสัจแล้วย่อมบรรเทาความมืดมนเสียได้ เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันไม่มีที่เปรียบแล้วทรงแสดงธรรมครั้งแรกเหล่าสัพประมาณหนึ่งแสนโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทร ง, สงแสดงธรรมที่พบของเทวดาผู้เป็นจอมเทพครั้งนั้นเทพประมาณหนึ่งแสนโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการเมื่อพระเจ้าจักรพัฒน์พระนามว่าสุนันทะเสด็จเข้าเฝ้าพระสัมมาสัพพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงลั่นธรรมเพรีกลองเคือธรรมอันประเสริฐยอดเยี่ยมและครั้งนั้นบริวารของพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าสุนันทะมีประมาณ9ก้าสิบโกดทั้งหมดนั้นไม่เหลือเลยได้โบดด้วยเอหิพิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมสาวกสามครั้งสาวกประมาณแสนโกด มาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งสาวกจำนวนแสนโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองสาวกจำนวนเก้าสบโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามการประชุมครั้งนั้นล้วนแต่พระสาวกผู้พระขีนาศพปราจาบนทินเท่านั้นสมัยนั้นเราเป็นพรามมีนามว่าสุรุจิเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจามนจบไรเพศ เราได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาพระองค์นั้นได้ถึงพระองค์เป็นสรณะและได้บูชาพระสงฆ์ซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยของหอมและดอกไม้ครั้นแล้วได้อังคาให้อิ่มน้ำด้วยน้ำนมโคแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่ามัางคละพระองค์นั้นผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ก็ทรงพยากรณ์เราว่าเนี่ยกับอันประมาณไม่ได้นับจากกับนี้ไปพรามชื่อสุรุจินี้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 ตามผลทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยดยิ่งใหญ่จากทำประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่คนต้นอัจฉริพลึกพระมารดาผู้ให้กาเนิดพระจินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจกมีพระนามว่าสุทโธธนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโพดม พระโกริตะเถระและพระอุปติสเถระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานน์จกเป็นพระอุปถากบำรุงพระจินเจ้าพระองค์นี้พระเคมาเถรีและพระอุบลวรนนาเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศทะพฤกจิตต้าข้าพดีอุบาสกและหัจักกะข้าพดีอุบาสกชาวเมืองอาราวีจกเป็น อ, อัครโอปถากนันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็น อ, อัครโอปถายิกาพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุประมาณร้อยปี เทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอพุทธทางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสกาลว่าถ้าเราทั้งหลายจะพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้ เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหน่อพุทฐานกูนนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะฆ่าแม่น้ำพลาท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงฆ่าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพราพระชินเจา้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทฐานกูนนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดํำรัสของพระพุทธเจา้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทําจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบา ร, รมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปครั้งนั้นเราเพิ่มพูนปีติเพื่อบรรุสัมโพธิญาณอันประเสริฐจึงถวายเรือนของเราในพระพุทธเจ้าแล้วบวชในสำนักของพระพุทธองค์เราได้เล่าเรียนพระสูตรและพระวินัยอันเป็นนวังคระสัทธุศา ท, ทั้งปวงแล้วช่วยประกาศศาสนาของพระชินเจ้าให้รุ่งเรืองเราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในคำสั่งสอนนั้น จเจริญพรหมวิหารภาวนาถึงความสำเร็จอภิญยาแล้วได้เบิกเกิดยังพรหมโลกปรุงชื่อว่าอุตระประสาทพระนามว่าอุตระเป็นพระชนกพระเทวีนามว่าอุตราเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคราวาตอยู่เก้าพันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือยะจวาประสาท สุจีมาประสาทและสิริมาประสาทมีนางสนมกำนันสามหมื่นนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่ายศวดีพระราชโอรสพระนามว่าศีวละพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพานะคือมาออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ พระมหาวีระพระนามว่ามังคละทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้อันพรหมทูลอาธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรเสด็จจาริคไปพระสุเทวเทระและพระธรรมเนสเนเทระเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าปาลิตะเป็นพระอุปทาคของพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ พระศีลวาเทรีและพระอโศกาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นกากระถิงนันทาอุบาสกและวิสาขาอุบาสกเป็นอัครอุปถากอนุลาอุบาสกาและสุมาณาอุบาสกาเป็นอัครอุปถายิกาพระมหามุนีทรงมีพระวรกายสูงแปดสดศอก มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรากายของพระองค์นั้นไปไกลหลายแสนจักรวาลขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณเก้าหมืนปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมาายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากสาวกของพระองค์ใครๆไม่สามารถจะนับได้เหมือนคลื่นในสมุทรสากรที่ใครๆไม่อาจนับได้ครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงดำรงพระชนมายุอยู่เพียงใดในาศาสนาของพระองค์ไม่มีการตายอย่างคนมีกิเลสเพียงนั้นพระองค์ผู้มีประย์ยิ่งใหญ่ทรงชูคบเพลิงเคารพธรรมทรงช่วยมหาชนให้ข้ามพ้นทรงรุ่งเรืองเหมือนเปลวไฟเสด็จเดบคันทัรินิพานแล้วทรงแสดงอาจแห่งสภาวะของสังขาร ในมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงรุ่งเรืองดังกองเพลิงเสด็จดับขันทปรินิพานแล้วดังดวงอาทิตย์อัสดงพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละเสด็จเดบขันทปรินิพานณนะพระราชอุทยานชื่อเวสระพระสถูปของพระชินเจ้านั้นสูงสามสิบโยชนะ์ณพระราชอุทยานชื่อเวสระนั้นชันนี้แหละ มังคละพุทธวงศ์ที่สามจบ